คำนําผู้เขียนช่วงที่ผมเป็นนักอ่านนวนิยายตัวยงนั้นผมพบว่านวนิยายมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือนวนิยายที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องของคนอื่นกับประเภทหลังคือนวนิยายที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องของตัวเองนิยายประเภทแรกหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวละครและเหตุการณ์ซึ่งห่างกับตัวเองหรือบางทีดูผลอเผลออาจมีเนื้อเรื่องใกล้ตัวมากแต่กลับไม่ทําให้รู้สึกว่า ถ้าผมไปอยู่ในสถานการณ์ทำนองเดียวกันกันกบตัวละครตัวเองจะคิดจะพูดหรือจะทำการโต้อตอบแบบที่เห็นในนิยายนิยายประเภทหลังหมายถึงเรื่องที่ดึงอารมณ์ของผมไปร่วมด้วยได้เรากับเอาเราเข้าไปโลดเต้นอยากช่วยตัดสินใจหรือผูกพันขนาดร่วมสมหวังผิดหวังกับตัวละครอย่างแรงแบบนั้นแมดูเผลอๆเนื้อเรื่องอาจไกลตัวเป็นคนละโลกกับตัวเอง แต่กลับทำให้เชื่อว่าผมเคยผ่านประสบการณ์เดียวกันกับทั้งเคยคิดเคยพูดเคยทำเช่นนั้นมาแล้วอย่างน้อยก็ในห้วงความรู้สึกหนึ่งที่จริงจังกับเรื่องราวเป็นพิเศษคนเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ตายโอกาสขวนขวายหาประสบการณ์สุดขั้วให้หลายหลากจึงยากยิ่งคนยุคเราได้เปรียบในเชิงเสพประสบการณ์เพราะมีการแลกเปลี่ยนกันผ่านหนังสือและภาพยนตร์ได้ไม่จากัด สุดแท้แต่จะเลือกเสพกันตามอัธยาศัยนวนิยายบางเรื่องเร้าใจคนอ่านให้ตื่นเต้นได้ขนาดอยากสัมผัสประสบการณ์ที่ปรากฏในเรื่องจริงๆฉะนั้นสําหรับผมนวนิยายจึงเป็นแหล่งบันดาลใจยิ่งใหญ่ไม่ถูกมองเป็นเพียงเรื่องอ่านเล่นเอาสนุกแม้ว่าสิ่งที่ผมต้องการจากนวนิยายเหนือสิ่งอื่นใดคือความสนุกก็ตามผมพยายามตั้งข้อสังเกตและหาเคล็ดลับอยู่ว่า อะไรคือเบื้องหลังนวนิยายที่สามารถจูงผมเข้าไปอยู่ในเรื่องได้ราวกับเปิดหูเปิดตาขึ้นในอีกโลกหนึ่งผมพบว่าผู้เขียนเรื่องสนุกสนุกได้นั้นเหมือนกันอยู่อย่างคือสร้างตัวละครที่น่าสนใจได้หลากหลายและมีสีสันตัดกันอย่างน่าระทึกใจยามนำมาปฏิสังสรรค์กันในเรื่องทีเดียวในชีวิตจริงเราไม่เคยมีโอกาสพบบุคคลที่น่าสนใจมารวมตัวกันบ่อยนัก และนั่นอาจทำให้เราอยากรู้เสมอว่าถ้าคนเด่นหลากประเภทมาเจอกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากนั้นยังมีจุดที่ผมประทับใจนักประพันธ์เก่งๆ เ, เป็นพิเศษก็คือวิธีที่พวกท่านเขียนถึงความคิดของตัวละครผมเชื่อว่ามนเสน่ห์อย่างลึกซึ้งที่สุดของนวนิยายก็คือการเผยเจตนาอันเป็นเบื้องหลังการพูดจาและการกระทาการของตัวละครนั่นเอง หากผู้เขียนใจกว้างไม่คับแคบรู้จักคนเท่าทันคนหลายๆประเภทเขาอาจทำให้เรารู้สึกราวกับไปนั่งอยู่ในใจคนหลายๆคนซึ่งเท่ากับเป็นการขยายโลกัศนมให้กับคนอ่านอย่างกว้างขวางด้วยนิยายเพียงเรื่องเดียวผมได้สัมผัสกรรมทางความคิดของคนมากประเภทก็ผ่านนิยายนั่นเองไม่ว่าจะเป็นนักปกครองนักวิทยาศาสตร์เอกหรือกระทั่งเพชฌฆาตเก่า คนเหล่านี้ถ้ามีฝีมือเขียนนิยายก็จะขยายโลกทัศน์ให้คนอ่านได้กว้างไกลยิ่งโดยเฉพาะในแง่ของความรู้สึกนึกคิดเบื้องหลังอารมณ์ขณะพูดจาหรือตัดสินใจกระทำการต่างๆนอกจากกรรมทางความคิดผู้เขียนที่มีประสบการณ์เชิงลึกมักสามารถบอกเล่าว่าผลแห่งการก่อกรรมเป็นอย่างไรนิยายที่สามารถประทับเรื่องราวไว้ในใจของผมอย่างถาวร น, นั้น มักมีความสมเหตุสมผลแบบที่ไม่ทําให้นึกอยากค้านแต่อยากยอมรับตามและจดจําไว้ว่านั่นคือส่วนหนึ่งของความจริงในชีวิตเรื่องของความสมเหตุสมผลเป็นอย่างไรนั้นอาจต้องพูดกันยาวแต่ที่น่าจะใช้สามัญสํานึกแล้วเห็นพ้องต้องกันก็คือใครทาดีก็สมควรจะได้ดีใครทาชั่วก็สมควรจะได้ชั่วแม้กระทั่งในนวนิยายอันเป็นเรื่องแต่ง ทุกคนก็เชื่อว่าสมควรดำเนินไปตามกฎอันเป็นธรรมดานี้หากเรื่องไหนลงเอยด้วยเหตุการณ์ที่ค้านความรู้สึกคนอ่านมากๆก็อาจทำลายความน่าเชื่อถือลงได้ทั้งหมดแรงบันดาลใจจากการเห็นแง่ความจริงนี้ทำให้นวณิยายของผมได้ชื่อกำพยากรขึ้นมากล่าวคือผมอยากบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ตัวละครคิดคิดพูดพู ด, พดทำทำไปนั่นแหละ จะเป็นตัวกำหนดให้พยากรถูกว่าใครจะได้ดีหรือตกยากในการต่อไปหากคุณเห็นด้วยกับการตัดสินใจดีชั่วในนิยายที่อิงหลักกรรมวิบากก็อาจแปลว่าคุณเริ่มยอมรับขึ้นมาหน่อยๆว่าไม่มีใครไปถึงจุดหมายสุดท้ายด้วยความบังเอิญผู้คนทั้งหลายกำลังดุ่มเดินไปตามทิศทางที่ตนเองเลือกและเมื่อบรรลุปลายทางคือวันสุดท้ายของชีวิตแล้ว แต่ละคนย่อมพบที่ที่เหมาะกับตนต่อไปหมายเหตุท้ายคํานําไว้สักนิดเผื่อบางคนเพิ่งหยิบหนังสือขึ้นมาจากชั้นเห็นกคำพยากรแบ่งเป็นตอนๆก็เกรงว่าจะเป็นภาคต่ออันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ละตอนจะแยกกันเป็นเอกเทศคุณอ่านตอนเดียวได้โดยไม่จําเป็นต้องอินกันกับตอนอื่นๆสําหรับสองตอนแรกนี่ถ้าเปรียบเทียบกันก็คงได้ภาพรวมอย่างนี้ คือตอนชนะกรรมจะเน้นความสำคัญของปัจจุบันกรรมเป็นหลักอดีตกรรมและอนาคตชาติเป็นรองส่วนตอนเลือกเกิดใหม่จะฉายภาพที่อธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลเพียงชาติเดียวต้องนำอดีตชาติมาผัวพันอยู่มากและค่อนข้างโยงใยระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตอันซับซ้อนเข้าไว้ด้วยกัน ชนิดที่ทําให้เห็นภาพได้ว่าสิ่งที่เห็นและจับต้องได้ในปัจจุบันไหลามาจากอดีตอันอาจลืมแล้วและปัจจุบันจะเป็นรากของอนาคตอันไม่อาจรู้ด้วยวิสัยนึกคิดธรรมดาสมดังที่สรุปไว้เป็นคําโปรยปกสั้นๆว่าชาติก่อนส่งมาชาติหน้าอาจมีชาตินี้เลือกทางในการรวมเล่มครั้งนี้ผมได้ปรับปรุงเนื้อหาจากที่ลงในบางกอกไว้มากพอสมควร ซึ่งก็ได้ญาติทำช่วยเหลือทั้งในแง่แก้คำผิดการทวงติงข้อมูลตลอดไปจนกระทั่งการยิงคำถามใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นระหว่างอ่านทำให้ผมมองเห็นจุดตกหล่นที่สมควรเสริมคำอธิบายให้สมบูรณ์อีกหลายแห่งสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณที่ปรึกษารอบๆตัวไว้ในหน้าคำนำเสียเลยเนื่องจากมีใครต่อใครถามเสมอว่าผมไปเอาข้อมูลจากไหนหลายหลากนัก ก็ขอเฉลยว่าอยากรู้อะไรผมก็จะติดต่อสอบถามเอาจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับคุณพัฒสดาวงวิวัฒน์ด็อกเตอร์อนัญญาเรืองมาพันตำรวจโทสมยศศรีเรืองคุณสมเจตสริงคารรัตนะคุณอนัสยาชนละกรนนายแพทย์ผลพัฒน์โลสเทียนกิจแพทย์หญิงมนทินีแสงเทียนคุณอริสาชัตรานนท์ คุณวิจิตพงมุกดาวิจิตคุณเทพกุลชรจิตทรที่ต้องขอขอบคุณเป็นกรณีพิเศษเหนือใครอื่นใดคือบอกอวีระนัฐโรจนประภาทั้งสำหรับการชักชวนให้ผมมาเขียนนิยายลงในนิตยสารบางเกอกของท่านด้วยจุดประสงค์คือต้องการให้คนอ่านเกิดความเข้าใจเรื่องกรรมวิบากอย่างกระจ่างและทั้งสาหรับคาแนะนาแก้ไขรายละเอียดต่างๆด้วยตัวท่านเอง กล่าวได้ว่านวานิยายกรรมพยากรณ์จะไม่มีจุดเริ่มต้นหากบอกอวีรนัทไม่เอ่ยปากขอให้ผมเขียนนิยายเกี่ยวกับกรรมวิบากเมื่อประมาณสมปีก่อนและอันเนื่องจากกรรมพยากรณ์ตอนเลือกเกิดใหม่นี้มีเนื้อหาค่อนข้างล่อแหลมในหลายต่อหลายจุดด้วยเจตนาของผมที่จะนำเสนอบางประเด็นปัญหาของสังคมไทยและสังคมโลกยุคปัจจุบันดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเข้าใจผิดว่า เหล่าที่ปรึกษาข้างต้นอาจมีพฤติกรรมในทางไม่ดีไม่งามอย่างใดอย่างหนึ่งผมขอแจ้งไว้อย่างชัดเจนณที่นี้นะครับว่าเพราะเรื่องไอเดียและฉากเหตุการ์ต่างๆทั้งหมดเกิดจากความคิดปรุงแต่งจินตนาการของผมเองหาใช่ลอกเลียนชีวิตจริงหรือไอเดียคิดการร้ายของใครที่เคยมีมาแล้วท่านท่านข้างต้นล้วนช่วยเหลือเพียงความรู้ในแง่ความเป็นไปได้ เชิงเทคนิคประจำสาขาอาชีพเท่านั้นหากนี่เป็นเรื่องแรกที่คุณอ่านแล้วเกิดความสนใจใครรู้ให้รอบในกฎแห่งกรรมวิบากและการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าสูงสุ ด, สดก็อาจติดตามงานชิ้นอื่นๆของผมซึ่งทั้งหมดหาอ่านได้ฟรีจากเว็บดังทริน c o m คครับดัง g รินดัง n ร t น i n c o อมมิถุนายน2548สสารบัญ บทที่1ตัวซวยหน้า15บทที่สองความเชื่อหน้า36บทที่3ผู้บุกรุกหน้า52บทที่4ี่อุบัติเหตุหน้า75บทที่หใจจริงหน้า90บทที่6เลืิกเกิดใหม่หน้า108บทที่7ข้ามรุ่นหน้า125บทที่8สังหรณ์หน้า142บทที่9แอบถ่ายหน้า153 บทที่ 10, แ h a กอร์หน้า170บทที่ 11, ติดใจหน้า188บทที่ 12, คำท้าหน้า201บทที่ 13, การไล่ล่าของกรรมหน้า214บทที่ 14, ฝืนใจหน้า232บทที่ 15, จำนนหน้า245บทที่ 16, สํานึกหน้า263บทที่ 17, ชดใช้หน้า286 บทที่18หายณนะหน้า3าบทที่19บเาทำบุญหน้า318บทที่20คู่รักคนสุดท้ายหน้า3 3มบทที่21เรียนพิเศษหน้า348บทที่22จุดเปลี่ยนหน้า365บทที่23าน้ำใจหน้า379บทที่24อิทธิบาทหน้า397บทที่25อิทธิฤทธิของกรรมหน้า410 บทที่26เงินสก d e v e หน้า426บทที่27น้ำภูแห่งกามหน้า444บทที่28โลกกรมหน้า458บทที่29ริศยาหน้า473บทที่10รหัสกรรมหน้า488บทที่11เหตุผลลีลับหน้า503บทที่32ความเป็นไปได้หน้า531บทที่33คบผ่านหน้า545 บทที่34คืนหวานหน้า560บทที่35ผู้ร้ายตัวจริงหน้า573บทที่36ผลกรรมหน้า586บทที่37ยา n a r หน้า6กบทที่38ลืมตาในความมืดหน้า618บทที่39ฝันครั้งสุดท้ายหน้า636บทที่40ภาคพื้นนราการหน้า670 บทที่41คนอยู่ข้างหลังหน้า687บทที่42อีกงานหน้า707บทที่43คนใหม่หน้า721บทที่44กรำเก่ากรำใหม่หน้า735บทที่45ได้คิดได้ทําหน้า768